ศาสนามีอยู่หลายศาสนาด้วยกันในโลกนี้คำสอนของแต่ละศาสนาก็มีความคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกันคำสอนที่มีความคล้ายคลึงกันของศาสนาส่วนใหญ่ก็คือสอนให้คนทาบุญ ทำความดีให้มีความเมตตาต่อกันละกันแล้วก็สอนให้คนละเว้นจากการทำบาปเบียดเบียนซึ่งกันละกันไม่ทำร้ายกันไม่ทำลายกันนี่เป็นคำสอนที่ทุกๆุกศาสนา จะสอนให้ทากันแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะสอนไม่เหมือนกันเพราะความเข้าใจต่อธรรมชาติของจิตใจมีไม่เหมือนกันบางศาสนาก็สอนให้ไปสวรรค์ แล้วก็จบตรงนั้นศาสนาพุทธนี่บางศาสนาสอนให้ไปสวรรค์หรือไปนรกตายไปแล้วก็ไปสวรรค์หรือไปนรกแล้วก็จบตรงนั้นไปสวรรค์ก็ไปสวรรค์แบบท้าววอไปนรกก็ไปนรกแบบท้าวร พุทธศาสนาสอนว่าตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ก็ได้ไปไปสวรรค์ก็มีไปนรกก็มีแต่ไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่บางคนก็ถ้าทำ ถ้าทำบุญได้ขั้นสูงสุดก็ไปนิพพานถ้าไปนิพพานนี่ก็ไปแล้วไม่กลับมาเกิดเดกต่อไปถ้าไปแค่สวรรค์หรือไปอบายหรือไปนรกนี่ไปแล้วต้องกลับมาใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ เราก็ไปนรกไปสวรรค์ใหม่จับําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะดวงจิตดวงวิญญาณที่ไปเกิดในสวรรค์หรือไปนรกนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันศูน์แต่สาเหตุที่ทำให้ยังกลับมา เกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็เพราะว่ายังมีกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่ยิมีอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ศาสนาสอนว่า ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดคำสอนของพระพุทธศาสนายังมีอีกข้อหนึ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีก็คือการกำจัดกิเลสตัณหาเรียกว่าการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของสัตว์โลกคือผู้ที่มาเวียนว่ายตายเกิด ในพบต่างๆนี่มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเครื่องตัวที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่มีสิ่งสกรปรกคราบสกรปรกติดอยู่ถ้าต้องการให้เสื้อผ้าสะอาด ก็ต้องชําระต้องมีการซักพอกมีการเอาไปซักเอาไปล้างใส่ผงซักพอกใส่เครื่องซักพอกเข้าไปถ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าก็จะสะอาดปราศจากคราบสกปรกจิตใจของสัตว์โลกที่เวียนว่ายกันที่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้ก็เพราะ กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกนั่นเองกิเลสตัณหาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผดฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ เป็นสาเหตุที่พาให้จิตใจของสัตว์โลกต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญทำบาปกันไปตามเหตุการณ์ตามเหตุผลที่ต้องทำบาปกันก็เพราะความอยากนี่เองความโลภนี่เอง เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็ไปทำบาปกันเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันสร้างความทรมานใจและจะกำจัดความทรมานใจได้ก็ต้องได้สิ่งที่อยากได้เนื้อทำในสิ่งที่อยากทำ แล้วพอไม่สามารถทำโดยวิธีไม่ทำบาปได้ก็ไปอาศัยการทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้หรือเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำนนี้คือเหตุผลของการทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็มีโทษตามมา จิตใจก็จะต้องไปรับโทษต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วรับโทษตั้งแต่ขณะที่ร่างกายยังอยู่เพราะเวลาทาบาบนี่จิตใจจะมีความไม่สบายจะมีความรุ่มร้อนไม่สบายใจมีความทรมานใจทุกข์ใจกังวลใจ หวาดกลัวเวลาทำ บ, บาปล้วจะกลัวกลัวจะถูกจับไปลงโทษ อ, อันนี้คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายแล้วพอตายไปบาปนี้ก็จะเป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจตอนที่ไม่มีร่างกาย ตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่ตายใจจะแยกออกจากร่างกายอย่างถาวรเหมือนกับเวลาที่นอนหลับเวลาที่เรานอนหลับใจก็แยกออกจากร่างกายเหมือนกันแต่แยกออกชั่วคราวตอนที่นอนหลับนี่ใจเป็นเหมือนดวงวิญญาณ ที่ไม่มีร่างกายออแล้วตอนที่ไม่มีร่างกายใจก็ใช้เหตุการณ์การกระทาที่ทำในขณะที่มีร่างกายในขณะที่ตื่นออก็จะใช้เหตุการณ์เหล่านั้นมาสร้างภาพสร้างเหตุการณ์ให้ ใจิตใจได้สัมผัสรับรู้ในขณะที่ตื่นถ้าไปทำบาปก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ทำบาปเอาไว้พอนอนหลับเหตุการณ์นั้นก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความฝันเป็นความฝันที่ไม่ดีฝันร้ายนี่คือ การแสดงผลของการกระทำบาปเวลาที่ร่างกายนอนหลับหรือเวลาที่น่างกายตายไปใจก็จะไปไปเสพไปรับรูก้กับเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ เหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกว่าอับายเรียกว่านรกเรียกว่าเปรตเรียกว่าสุลกายนี่คือผลของบาปหลังจากที่ตายไปแล้วจิตใจถ้ายังไม่ได้ร่างกายก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนอ น, นอนหลับคนนอนหลับแล้วฝัน้ายมีแต่เรื่องที่ ไม่น่าดูไม่น่าชมให้ได้สัมผัสรับรู้หรือถ้าได้ร่างกายก็จะเป็นได้ร่างกายของเดรัจฉานนัได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานจนแล้วก็จะอยู่ในสภาพแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่กำลังของบาปที่ได้ทำไว้ มันหมดกําลังลงเหมือนกับภาพยนตร์ที่เราได้ไปถ่ายมาแล้วเราเอามาฉายดูมันก็จะฉายไปเรื่อยๆจนกว่าภาพยนตร์มันจะหมดเทปมันจะหมดเทปที่ได้บันทึกภาพเหล่านั้นมันจบลงเอก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เออ แล้วก็กลับมากลับมาทำบาปทำบุญใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโชคดีมีความสามารถหรือมีโชคในการหาข้าวของเงินทองได้มากมีมาก ก็อยากจะได้อะไรก็สามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปทำบาปแล้วก็ยังมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายตามความต้องการยังมีเงินเหลืออีกมากมายก็เลยเอาไปทำบุญอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทาให้คนได้ทาบุญกัน ที่ได้ทำบุญเพราะว่าชาตินี้มาเกิดมีความสามารถหรือมีโชคมีเงินมีทองมากต่อมากกว่าความที่ความต้องการก็เลยเอาไปแจกจ่ายเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น บางคนก็เอาไปสร้างโรงเรียนบางคนก็สร้างโรงพยาบาลบางคนก็สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆการกระทาเหล่านี้ก็เป็นการกระทาที่เรียกว่าบุญทําแล้วทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าทําบุญเวลานอนหลับก็จะฝันแต่เรื่องบุญที่ได้ทำไว้ ฝันดีฝันอย่างมีความสุขเนถ้าตายไปก็ฝันเหมือนกันฝันดีฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์นี่เองเราฝันไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังบุญที่ได้ทำเอาไว้หมดกำลังภาพที่เราบันทึกเกี่ยวกับการทำบุญของเราหมดลงก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาทำอะไรตามความอยากใจของคนทุกคนที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความอยากที่จะเสบกามคขุณห้ากามคขุณห้าคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพทะที่พวกเราทุกวันนี้เสบกันนี้ก็เสบกามคขุณห้ากัน เดี๋ยวก็ต้องดูอะไรเดี๋ยวก็ต้องฟังอะไรเดี๋ยวต้องลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรเดี๋ยวต้องสัมผัสกับสิ่งที่มาแตะต้องที่ตัวร่างกายเวลาไม่มีก็ต้องดิ้นหามันอยู่บ้านไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่อยากจะเสพก็ต้องออกไปนอกบ้านเช่นไปเที่ยวกันทำไมอยู่บ้านกันไม่ได้ บ้านนี้แสนวิเศษมีอะไรครบคันแต่มันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆให้เสพนั่นเองก็เลยต้องไปออกไปนอกบ้านไปที่ไม่เคยไปหรือไปที่เคยไปแล้วแต่ยังไม่อิ่มใจกับสิ่งที่ได้สัมผสัสก็ต้องออกไปเพื่อจะได้เอาความสุขมาหล่อเลี้ยงจิตใจ พอจิตใจถ้าขาดรูปเสียงกลิ่นรสผธภระนี่ก็เหมือนกับขาดอาหารมันจะมีความหิวโหวยมีไม่มีความสุขนี่แหละคือตัวที่ดึงให้จิตใจต้องมามีร่างกายกันเพราะพ อ, พอมีร่างกายก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองจะได้มีตาไว้ดูรูป มีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้สัมผัสกับรสต่างๆมีร่างกายไว้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบเช่นอากาศหนาวอากาศเยน็นอากาศร้อนหรือสิ่งที่มากระทบเช่นของแข็งของนุ่มนี่คือเรื่องของตัณหาความอยากตัวที่เดึงให้จิตใจมาเกิด แล้วก็มาทำบุญหรือมาทำบาปแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอหมดผลบุญพอบุญกับบาปที่ส่งไปหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่อย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำมาอย่างนี้มาหลายล้านรอบแล้ว ไม่ใช่เพียงชาตินี้เพียงชาติเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวทำอย่างนี้มาอย่างโชคโชนนับจํานวนพบชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าอยากจะรู้รจานวนก็ให้ให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยเนี่ยเราเกิดมาชาตินี้เราร้องไห้กันบ้างหรือเปล่าต้องร้อง ตั้งแต่เด็กนี่จะร้องมากน้ำตาไหลอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเรากลับมาเกิดมากน้อยกี่ครั้งเอาน้ําตาที่เราร้องเนี่ยในชาตินี้มารวมกันไว้ถ้าเอาชาตินี้น้ําตาของชาตินี้มารวมกับของชาติก่อนๆเราจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทร คิดดูว่าจะต้องกลับต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันมาเกิดมาตายกันกี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นคือจํานวนของภพชาติของพวกเราที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันมาทําบุญทําบาปกันแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ ถ้าไม่มีใครมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้ว่าพวกเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แบบนี้มาน่าจะอยู่แบบจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยเราก็จะคิดว่าเราเพิ่งมาเกิดชาตินี้เป็นชาติชาติแรกและชาติสุดท้าย คนส่วนใหญ่นี้จะคิดว่าตายแล้วก็จบพอร่างกายตายแล้วทุกอย่างก็จบบุญทำไว้ก็จบบาปทำไว้ก็จบไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเหมือนคนที่ทำบาปแล้วถ้าตายก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางทำบุญทำคุณงามความดีตายไปแล้วก็รับรางวัลไม่ได้ ก็ต้องให้ลูกหลานรับไปแทนเช่นทหารตำรวจเวลาเขาปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แล้วตายไปก็ได้รับหลังวี่หลังวัลพิเศษแต่ตัวก็เองไม่ได้รับใชแล้วคนที่มารับแทนเขาก็คือลูกหลานสภรยาสามีคนของคนตายไปก็เลยคิดว่าชาตินี้ก็เป็นชาติเดียว ชาติแรกก็ชาติสุดท้ายอันนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดจะทำอะไรนอกเหนือจากการอยู่แล้วก็ทำตามความอยากเพื่อจะได้มีความสุขไปในแต่ละวันเท่านั้นเองโดยที่หารู้แมว่าการทำตามความอยากในแต่ละวันนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ต้ อ, ตอง กลับมาทําอย่างนี้ไปไม่เรื่อยตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วก็มาทําตามความอยากใหม่แล้วก็ตายไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกับการที่จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนากันเออเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องเจอความแก่ ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจอความตายต้องเจอการพัดพรากจากกันพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจน้องห่มน้องให้กันแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะได้รู้จักว่าภพชาตินี้ไม่ได้เป็นภพชาติเดียวและภพชาติอ อสุดท้ายเรามีพกชาติตามมาอีกเยอะแยะถ้าเรายังไม่ได้กำจัดความโลภความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาล่องห่มล่องไก้ให้มีน้ําตามากเท่ากับน้ําในมาหาสมุทรเราก็ต้องมากำจัดความโลภความโกรธความหลงมากำจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปให้ได้เพราะถ้าเรากำจัดได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะการกำจัดความโลภความอยากนี้แทนที่จะทำให้ใจทุกข์กับทำให้ใจทุกมีความสุขเวลามีความโลภความอยากนี้มันทำให้ใจเราทุกข์ พออยากได้อะไรแล้วนี้ใจกังวลกัวายกะสับก็สายกินไม่ได้นอนไม่หลับจะหายก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากได้แต่มันก็หายเดียวเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่เดี๋ยวเห็นของใหม่เห็นสิ่งใหม่เห็นคนใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาอีกก็จะทำให้ใจเรานี่ต้องดิ้นหาอยู่เรื่อย พอร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือหาอะไรตามความอยากต่อไปแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ความทรมานใจจะหายไปใจจะสงบยเย็นจะสบายมีความสุขขึ้นมา แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆได้สิ่งที่อยากต่างๆความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากไม่ได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขความอิ่มความพอขึ้นมาอันนี้แหละคือ สิ่งที่ไม่มีสอนในศาสนาอื่นมีสอนอยู่ในศาสนาพุทธในศาสนาเดียวเพราะไม่มีใครมีความสามารถที่จะรู้ถึงเหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องเวียนว่าตายเกิดกันที่ทำให้สัตว์โลกต้องมีความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สามารถค้นพบความจริงอันนี้พ้นค้นพบความจริงว่าความสุขใจของสัตว์โลกนี้อยู่ที่การละ ง, งับการกระทำความอยากต่างๆอยู่ที่การละ ง, งับการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัอยู่ที่การละ ง, งับความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากอยู่ไปนานๆเนี่ยความอยากเหล่านี้จะเป็นตัวให้จิตใจจะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้แต่สิ่งที่หามาได้ในโลกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังถาวรหามาได้มากได้น้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นไป พอหมดไปก็ต้องหาใหม่หาได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปก็ต้องหากันอยู่เรื่อยร่างกายนี้ก็ต้องหามันอยู่เรื่อยพอร่างกายนี้หมดไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายอีกเหมือนกันก็네จะต้องดิ้นไปเรื่อยจะต้องทุกข์ไปเรื่อย أ? จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ไม่พบนะ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นนั้นที่ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การยุติหาอะไรต่างๆให้ทําจิตให้สงบให้จิตอยู่เฉยๆท่านั้นแหละความอยู่เฉยๆของจิตเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสรับรู้กันมาก่อนเพราะจิตของเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ ไม่เคยเห็นจิตที่อยู่นิ่งๆเฉยๆกันเลยก็เลยต้องหาความสุขภายนอกกันหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุถัมภะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญกันหาความสุขจากร่างกายกัน อ, อันนี้แต่หายังไงเดี๋ยวมันก็หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไป ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเช่นไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มกินเสร็จมันก็หมดไปแล้วดื่มแล้วมันก็หมดไปแล้วไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรพอดูเสร็จแล้วมันก็หมดไปแล้วเข้าไปลงหนังสองชั่วโมงสนุกสนานเฮ ห, หาอยู่กับภาพพยนต์กับเสียงที่ได้ดูได้เห็น พอออกจากโรงมามันก็หายไปแล้วพอหายก็เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะดูมันอีกฟังมันอีกก็เราดูหนังเรื่องใหม่พอหนังเรื่องใหม่มาก็ไปเข้าไปดูอีกนี่คือความสุขที่เราหากันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปหามาได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นอย่างนั้น มันจึงทำให้จิตใจเรานี้ต้องดิ้นดนหาอยู่เรื่อยๆจึงไม่เคยรู้จักการอยู่นิ่งๆเฉยๆเลยไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงสักทีความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การอยู่นิ่งๆเฉยๆนี้เองที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอพระพุทธเจ้ารู้ก็มาสอนผู้อื่นผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจก็ไปทาตาม พอทำตามก็สามารถได้สัมผัสกับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสความสุขที่เกิดจากการความนิ่งสงบของใจท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาท่านเหล่านี้ไม่ต้องมาเกิดเด็กต่อไปเพราะใจท่านไม่มีความอยากไม่มีความหิวพอร่างกายนี้ตายไปก็เป็นร่างกายสุดท้าย น้ำตาที่จะหลั่งก็เป็นน้ำตาหยุดสุดท้ายจะไม่มีการหลั่งน้ำตาอีกต่อไปเหมือนพวกเราไม่เหมือนพวกเราที่ยังจะต้องหลั่งต่อไปเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันยังไม่หมดก็ต้องไปหาต่อไปหาร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้พาไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาลาบยศสรรเส ร, ริญพอลาบยศสรรเส ร, ริญก็ให้ความสุขกับใจอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้มาได้ยินเรื่อง ดวงจิตดวงใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ยังต้องไปเกิดใหม่อยู่ได้เรื่อยเพราะเรายังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรายังไม่ได้กาจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปนั่นเองตอนนี้เราโชคดีเรามีคนบอกแล้วบอกเราว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตถ้าเราทำอยา่างนี้เราก็จะได้อย่างนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะได้อยา่างนี้ถ้าเราทำอยา่างนี้ถ้าไม่ทำเราก็จะไม่ต้องได้อะไรถ้าไม่อยากจะเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าไปทำอะไรให้หัดมาอยู่เฉยๆมานั่งอยู่เฉยๆ มาทำใจให้สงบเวลาใจสงบหยุดความอยากได้ใจจะมีความสุขมากโดยเมื่อมีความสุขมากก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิธธ่นรสปศพพะมาให้ความสุขไม่ต้องไปหาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่าง ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่สูงสุดความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร อยู่ที่การทำใจให้สงบนี้เองแต่ในการปฏิบัติเบื้องต้นนี้เราจะได้ความสุขแบบชั่วคราวก่อนได้ความสงบแบบชั่วคราวก่อนเพราะว่าเราต้องไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นนั่นเองขั้นต้นก็เอาขั้นชั่วคราวก่อนเพราะง่ายกว่าขั้นถาวรนั่นเอง พอได้ขั้นชั่วคราวแล้วทีนี้ก็จะมีกำลังมีความสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่การสร้างความสุขแบบถานะอนตอนต้นก็เอาแบบชั่วคราวก่อนเหมือนกับตอนที่เราก่อร่างสร้างตัวใหม่ๆเงินทองยังไม่มากก็เช่าบ้านไปก่อนยังไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านไปก่อนต่อไปพอทามาหากินเงินทองมากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวก็มีเงินพอที่จะซื้อบ้านอยู่ของตนเองได้อันนี้ก็แบบเดียวกันการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวร น, นี้ก็ต้องทําไปตามกําลังอขั้นแรกก็ต้องทําแบบชั่วคราวก่อนเพราะมันง่ายกว่าการทําแบบถาวรการทําแบบถาวร น, นี้มันยุ่งยากกว่า ก า, การทำแบบชั่วคราวการทำใจให้สงบแบบชั่วคราวที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธินี่ก็เกิดจากการที่เราฝึกสติกันสร้างสติกันขึ้นมาก่อนเพราะใจจะสงบจะนิ่งได้นี้ต้องมีสติเป็นผู้หยุดหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็จะหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ใจก็จะนิ่งจะสงบแต่จะสงบได้ชั่วคราวเดียวเๆเพราะกำลังของสติที่จะหยุดใจนี้ยังมีน้อยอยู่แรกๆนี้จะได้แบบงูแลบลิ้นจิตสงบปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาแต่ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆสร้างสติไปเรื่อยๆสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวก็จะหยุดได้ยะได้ยาวขึ้นนานขึ้นไปแต่ก็ยังเป็นความสุขเป็นความสงบแบบชั่วคราวอยู่เพราะว่ายังไม่ได้กำจัดตัวที่มาคอยอทำให้จิตไม่สงบนั่นเองก็คือตันหาความอยากต่างๆกิเลสตันหาความอยากต่างๆนี้ไม่ได้ถูกทำลาย ไปด้วยอำนาจของสติของสมาธิท่านเปรียบว่าสมาธินี้เป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเอาหินไปทับหญ้าไว้ก็จะกานไม่ให้หินมันงอกขึ้นกันไม่ให้หญ้ามันงอกเงยขึ้นมาได้เวลาเอาหินไปทับไว้แต่พอเอาหินออกมาเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกเงยขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่ารากของ ของย่ามันยังมีอยู่นั่นเองมันเพียงแต่ถูกการไว้ไม่ให้เจริญงอกงามเท่านั้นเองเวลาเอาหินไปทับญ้าตรงนั้นช่วงตรงนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่มีย้างอกขึ้นมาแต่ถ้าเอาหินยกหินออกไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอมันได้น้ําได้อะไรเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันตัวที่งอกขึ้นมา ตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวสร้างความอยากไม่ได้ตายไปกับการการทำสมาธิสมาธิเพียงแต่กดความอยากความโลภเอาไว้เฉยๆเท่านั้นเองพอพอออกมาจากสมาธิปับ๊บความโลภความอยากมันก็จะออกมาทำงานต่อมาสร้างความวุ่นวายใจต่อไปได้ มาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้าอยากจะทำให้ใจสงบตลอดเวลาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆและสิ่งที่จะกำจัดความอยากได้ก็คือปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้า<ม>ก็คือเหตุผลว่าทำไม เราต้องมาทำลายความอยากกันเราต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เราต้องไปวุ่นวายกันเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันทำให้ใจเราสัน่นเหมือนคนติดยาเสพติดติดโรีติดโซรานี่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่มือไม้จะสัน่น ที่มือไม้สั่นเพราะใจมันสั่นใจมันทรมานแต่แทนที่จะแก้วิธีที่ใจสั่นมือไม้สั่นด้วยการทำใจให้สงบกลับไม่ทำกลับไปทำตามความอยากไปเอาสุรามาดื่มไปเอายาเสพติดมาเสพพอได้ดื่มสุราหรือได้เสพยาเสพติดอาการสั่นนั้นก็หายไปชั่วคราว ก็เลยคิดว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาแก้เวลาใจสัน่นใจหงุดหงิดใจทรมานกับความอยากก็ต้องไปทำตามความอยากแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวหรือเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเวลาที่มีไฟลุกไหม้ธรรมดาเราต้องเอาน้ำไปฉีดไฟมันถึงจะดับ แต่ถ้าเราไม่มีน้ำเรามีน้ำมันเราก็คิดว่ามันเป็นเหมือนน้ำเราก็เอาน้ำมันสาดเข้าไปในกองไฟตอนต้นเวลาสาดเข้าไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนมันก็ทำให้ไฟเหมือนกับจะจะจ ะ, จะดับลงไปแต่พออีกสักครู่หนึ่งพอน้ำมันมันเริ่มร้อนขึ้นมาที่มันไฟมันก็จะปะทุขึ้นมาใหญ่เลยอันนี้ก็แบบเดียวกัน การที่เรากำจัดความไม่สบายใจด้วยการทำตามความอยากมันทำให้รู้สึกความไม่สบายใจนั้นหายไปแต่หายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาหนักมากกว่าเก่าอยากอยากเพิ่มสองเท่าตอนที่เราอยากใหม่ๆนี้จะอยากน้อยตอนดื่มโซดาใหม่ๆนี้ก็อยากทีละแก้วสองแก้ว พอดื่มไปแล้วเดี๋ยวมันก็เพิ่มเป็นสามแก้วสี่แก้วเออไปก็เป็นขวดอันนี้เรื่องของความอยากเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้วิธีแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะไม่มีใครรู้ มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเท่นั้นที่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาคือความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจความทรมานใจเวลาเกิดความอยากนี้ต้องแก้ด้วยการหยุดมันต้องหยุดมันด้วยสติไปนั่งสมาธิทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วอยากไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะไม่ทำให้ความอยากมันหมดไป ความอยากมันจะหมดก็ต้องหมดด้วยการไม่ทําตามความอยากอันนี้ต้องหยุดความอยากนี่คือปัญญาต้องหยุดและการที่จะหยุดได้ต้องรู้ว่าการไปทําความอยากนี้มันจะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์น้อยลงเพราะสิ่งที่เราอยากได้พอเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปะ อ๋อมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเสียใจอีกทุกข์ใจอีกอเวลาที่มันอยู่กับเรามันก็สร้างความกังวลใจให้กับเรามีอะไรเราก็มักจะกังวลกับสิ่งที่เรามีกลัวจะต้องสูญเสียไปกลัวที่จะต้องพัดพากจากกันไปนี่ต้องให้เห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราว ทุกเพราะว่าเราไม่ไปสามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดเนี่นี่คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทไมเราต้องมองทุกอย่างให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะความจริงเขาเป็นอย่างนั้นเอของต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องจากเราไปไม่จากตอนไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย เพราะร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วของต่างๆที่เราหากันมาได้แทบเป็นแทบตายเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยศถาบรรดาศักดิ์รางวีรางวัลอะไรต่างๆเดี๋ยวในที่สุดก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปนี่คือการมองเพื่อที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็นอะไรถ้าเราอยากได้คนนั่นคนนี้มาเป็นแฟนเราก็ต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของเขาร่างกายของคนเหล่านี่มีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามพอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็ไม่มีเช่นเวลาเขาตายไปนี่ ต่อจะให้ต่อให้รักกันขนาดไหนก็ยกให้สับปเปลเได้พอตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วไม่เก็บเอาไว้ในบ้านนะแต่ถ้ายังมีลมหายใจนี่ยังหลงอยู่ยังเห็นว่าสวยยังงามอยู่ยังน่ารักอยู่ก็จะผวงจะหึงจะห่วงใครมาแตะมาต้องไม่ได้แต่พอเห็นเขาเป็นซากศพขึ้นมาเมื่อไหร่ทีนี้ก็ ไม่อยากได้นะเออนี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้ภรรยาไม่อยากได้สามีให้นึกถึงตอนที่ก็เป็นศพดูถ้าก็เป็นศพเมื่อไหร่แล้วไม่มีไม่มีทางที่อยากจะได้ต่อไปไม่มีเขากับสบายกว่าไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลนี่คือวิธีที่เราจะ อหยุดความอยากต่างๆได้ต้องมองในมุมกลับบ้างอย่าไปมองในมุมที่เราชอบคือเรามักจะมองว่าสวยว่าดีให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปนานๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆเราต้องมองมุมกลับมองความจริงว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันต้องมีวันจบมีวันหมด เดี๋ยวจะต้องมีการพัดพาคจากกันและเวลาอยู่ร่วมกันก็อยู่ด้วยความไม่แน่นอนอยู่ด้วยความวิตกกังวลห่วงใยกันความสุขที่ได้จากเขามีเพียงนิดหน่อยแต่ความทุกข์ที่ได้มาด้วยนี่มันมากมายกายกองถ้ามองด้วยเหตุผลด้วยปัญญาแล้วมันจะทำให้ความอยากได้สิ่งต่างๆนี้มันหายไปหมด อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็หายไปหมดอยากได้ลาบยศสารเสริญก็หายไปหมดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หายไปหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากต่างๆที่มาสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับเรานี้มันจะหายไปหมดน หายไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะเรากำจัดด้วยการถอนรากถอนโคนของความอยากคือความหลงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นร่างกายว่าเป็นอสุภะกันเห็นร่างกายที่ไรเรามักจะเห็นว่ามันเป็นสุภะมันน่าดูน่าชม แต่เวลาไม่ดูน่าชมไม่น่าดูน่าชมนี่เราเอาออรีบยัดไว้ในหีบทันทีไม่ยอมเปิดให้ใครดูเลยเวลาคนตายเนี่ยไปงานศพใคเห็นคนตายไหมไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งก็ไม่อยากเห็นด้วยคนตายก็ไม่อยากจะเห็นคนอื่นเขาก็ไม่อยากที่จะเอามาให้คนอื่นเห็นเพราะมันไม่น่าดูน่าชมะ เราจึงมองไม่เห็นความไม่ดูไม่น่าดูน่าชมของร่างกายเราถึงไปหลงไหลคลั่งไคล้รักร่างกายของคนนั้นคนนี้กันอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยากจะอยู่กับเขาเนี่ยนี่เพราะเราไม่มีปัญญากันเรามีโมโหะความหลงคอยหลอกเราหลอกให้เราเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักอยู่กับเขาเรามีความสุข ไม่เคยให้เราเห็นความจริงของร่างกายเลยเเราเลยติดอยู่กับร่างกายของคนนั้นคนนี้ตายไปแล้วก็กลับมาหาร่างกายคนนั้นคนนี้ใหม่ตายแล้วกลับมาก็มาหาแฟนกันใช่ไหมพอโตขึ้นปั๊บทํำไงก่อนเลยหาแฟนกันก่อนเนี่ยพ่อแม่นี่ต้องคอยเบรกอยู่เรื่อยๆเฮ้อยอย่าเพิ่งรีบไปอย่าชิงสุกก่อนหามใช่ไหมการได้ยินคําว่าชิงสุกก่อนหามไหม ยังยังไม่โตพอยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งไปมีแฟนพอมีแฟนแล้วต้องเลี้ยงดูกันถึงจะถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูกันเดี๋ยวก็ลำบากมันก็จะเป็นลำบากกับพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่เลี้ยงลูกคนเดียวไม่พอเดี๋ยวต้องเลี้ยงลูกเ ล, เลี้ยงแฟนของลูกอีกเลี้ยงลูกของลูกอีก ก็เลยต้องคอยห า, หากข้ามของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันเลยใช่ไหมเรื่องการไปหาแฟนนี่ไม่ต้องสอนกันเลยเพราะอะไรเพราะมันชำนาญมันติดมาอยู่ในจิตมาตลอดเวลาทุกภพกทุกชาติที่มันมาเกิดนี่ก็เพิ่มมาเกิดเพื่อมาหาแฟ น, นเนี้ยรู้ป่ามันไม่ได้มาหาอะไรกันหรอก <c oughs> ที่กรับมาเกิดก็การมตัณหาเนี่ยกรมร า, าคะ ความอยากเสพกามความอยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่ากามราคะกามตัณหาของพวกนี้ไม่ต้องสอนมันเป็นอของที่มันชํานาญมันทํามาไม่รู้กี่กี่ล้านกี่ล้านชาติแล้วเอทํามาทุกทุกพบทุกชาติเกิดมาปั๊บมันก็จะมาเตรียมหาอหาหาแฟนทันทีถ้าอยากจะเลือกหาแฟนเังไงก็ต้องหัดเจริญอสุภะกัน หัดดูนั่งกายที่ไม่สวยงามบ้างอย่าไปดูตอนที่มันสวยงามนั่งกายก็เหมือนดอกไม้ให้คิดอย่างนี้ฮะเไหมเวลามันบานนี่สวยมั้ยเวลาที่เราตัดมาเสียบไว้ในแจกันใหม่ๆนี่เหมือนสวยแต่ลองโยมไม่เคยมาดูตอนที่มันเหี่ยวบ้างนี่ตอนที่มันโรยบ้างเนีย่ยเสียบไว้ในแจกันอาทิตย์หนึ่งมันก็แห้งแล้วมันก็กลายเป็นของที่ไม่ดูนีไม่น่าดูไปละ ต้องทิ้งลงไปในทิ้งถังขยะไปแล้วเนร่างกายของเราก็แบบนี้โยมจะขออย่าเพิ่มคุยกันนะเดี๋ยวให้เราคุยให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวอีกห้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะนี่คือเรื่องของปัญญาต้องมองในส่วนที่จะทำให้เราไม่อยากต้องเห็นว่าที่เราไม่อยากเพราะว่ามันทุกข์มันไม่ดี เช่นถ้าเราเคยดื่มเครื่องเดิมเอแล้ววันหนึ่งเขาไปค้นพบว่าเครื่องเดิมนี้คนเดิมกันนี้เป็นมะเร็งกันเยอะแยะเลยทีนี้เขาก็จะมาติดป้ายไว้ที่ขวดแล้วว่าระวังเอดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งเนี่ยพอมีป้ายติดอย่างนี้เราเห็นแล้วอยากจะดื่มไเคยดื่มยังไงก็เลิกดื่มได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงว่าดื่มแล้วเป็นมะเร็งกันแต่พอมามีคนเข้าไปค้นคว้าไปวิจัย ไปทดสอบดูเอาไอ้ตัวไอ้เครื่องดื่มนี่เองที่ทําให้คนเป็นมะเร็งเงินเยอะแยะเขาก็เลยต้องมาติดป้ายเอาเอากะโหลกศีรษะไข่กระดูกป้ายมาติดไว้ที่ที่ขวดแล้วบอกระวังอันตรายเหมือนสารพิษต่างๆนี้เขามักจะมีอป้ายติดไว้ว่าระวังอันตรายห้ามกินห้ามดื่มดื่มแล้วจะตายอันนี้ก็เหมือนกัน การเห็นตายรักเห็นอสุภะนี่ก็เป็นเหมือนกับการเห็นป้ายที่คอยเตือนไผนอนนั่นเองว่าของเหล่านี้อย่าไปแตะมันนะแตะแล้วมันจะทุกข์แตะแล้วมันจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเยนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราให้มาเจริญปัญญากันสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้กันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระลาบยศสัลเสริญเนี่ยมันเป็น มันเป็นภัยอันตรายต่อจิตใจถ้าไปเสพแล้วมันจะทำให้จิตใจนี้ต้องทุกข์ไปไม่มีวันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้แหละคือปัญญาที่เราจะต้องมาเจริญกันมาสอนใจเราให้เห็นให้เห็นภัยอันตรายของสิ่งต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ที่เรากาลังมีกันอยู่ว่ามันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องทุกข์กัน ต้องเศร้าโศกเสียใจกันต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกันให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถาหยุดความอยากได้ความอยากมันเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ามันเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจกลับไปเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจนั่นเองเราจึงหากันเสพกัน เพราะมันมันก็ทำมันหลอกเราเวลาเสพเวลาได้มามันก็รู้สึกมีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวพอได้มาแล้วไม่กี่วันมันก็หมดความหมายไปละต้องได้ของใหม่ของเก่าที่ได้มานี้เก็บไว้ในตู้ละต้องไปหาของใหม่ที่อยู่ในร้านกันกระเป๋าใบเก่าพอพอได้มาใหม่ๆก็ดีใจดีใจไม่กี่วัน เสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้พอไปเดินตามร้านตามห้างเห็นใบใหม่ติดตั้งอยู่ก็อยากได้ขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆนี่นหละคือความสุขที่เราหากันที่เราเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่จีรังท้าวอนมันเลยทำให้เราต้องหาของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วพอหาไม่ได้ก็ทุกข์เสียใจเรื่องของที่ได้มาถ้าเกิดหายไปก็เสียใจอีกทั้งงที่ไม่ได้อยากได้มันแล้วแต่ก็ยังหวงมันอยู่รกระเป๋ามีกี่ใบเก็บไว้นี่ถ้าเกิดขโมยขึ้นบ้านเอาไปนี่ก็เสียใจแต่ถ้ามันไม่ได้เอาไปก็อยู่ในในอยู่ในตู้อย่างนั้นก็ไม่ได้เอาไปใช้มันนี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่า ความอยากของเรานี้มันไม่ดีมันทําให้ใจเราสั่นใจกระเพิ่มใจเราไม่สบายและวิธีวิธีแก้ความอยากก็ต้องหยุดมันไม่ใช่ไปทำตามความอยากถ้าไปทำตามความอยากความอยากมันจะไม่มีวันหมดมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆและแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่าโบราณก็ถึงมีคำพูดว่าตอนต้นก็อยากได้คืบเดียวพ อ, อได้คืบแล้วทีนี้ก็อยากได้สอกแล้วสิ พอได้สอบก็ไม่พอต้องเยอะทีนี้ต้องได้วาเนี่ยเราสมัยเด็กๆได้วันละร้อยก็ดีใจแล้วต่อไปนี่วันละร้อยไม่พอแล้วดีนี้วันละพันพอหรือปเปล่าหรือวันละหมื่นหรือวันละแสนเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันมีของที่จะให้เราซื้อได้เยอะแยะมัมากมาย ก, า, ก, กายกอง ได้วันละล้านใช้วันละล้านก็ไม่พอไปชอปปิ้งวันละล้านก็มีของให้ซื้อได้เพชรเม็ดเดียวมันก็หมดแล้วมึงเกินล้านไปแล้วไปร้านขายเพชรมีเม็ดเพชรเม็ดใหญ่ๆสักเม็ดเด่ก็หมดล้วเงินล้านนนี่คือความอยากอย่าไปส่งเสริมมันด้วยการทําตามความอยากต้องฝืนมันอยากได้กระเป๋าก็ออกว่ามีใบนึงแล้วพอแล้ว เอามาอีกใบทําไมเกะ ก, กะเวลาใช้ก็ใช้ทีละใบรองเท้าก็เหมือนกันมีอยู่หลายคู่แล้วเอามาอีกก็ใช้ได้ทีละคู่อยู่ดีมีเท้าเท้าเราก็มีอยู่คู่เดียวทําไมต้องมีรองเท้าเป็นสิบคู่หาดใช้เหตุผลดูแล้วมันก็จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้ พอเราฝืนแล้วต่อไปเราเห็นกระเป๋าก็จะเฉยเฉยเห็นรองเท้าก็เฉยเฉยเห็นเพชรก็จะเฉยเฉยมันไม่มีสาระคุณประโยชน์อะไรมันหลอกเราให้เราดีใจชั่วคราวเท่านั้นเองตอนที่เราได้มาใหม่ๆเท่านั้นเองแล้วมันก็มาเป็นตัวทำให้เราต้องมาทุกข์มากังวลได้เพชรเพ็เม็ดเป็นล้านมาเราจะไปเก็บไว้าไม่ก็ต้องกังวลแล้วต้องหาที่เก็บอีกลนะนี่คือ เรื่องของปัญญาต้องเห็นว่าหนึ่งความอยากนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจไม่เป็นประโยชน์อย่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะไม่ได้หยุดความอยากกลับจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นถ้าอยากจะให้ความอยากหมดไปต้องฝืนมันฝืนด้วยปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทาให้เราทุกข์ใจ ไม่มีมันสบายใจกว่าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรใจเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อใจสะอาดก็จะไม่มีตัวที่จะพาให้ใจไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของพวกเราก็จะเป็นแบบของพระพุทธเจ้าแบบของพระสาวก ใจของพวกเรากับพระทธเจ้านี้เหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระตถเจ้าได้รับการชำระให้สะอาดแล้วส่วนใจของพวกเรานี้ยังไม่ได้รับการชำระเท่านั้นเองใจของเราเลยมีแต่ความเศร้าเศร้าโศกเสียใจมีความหม่นหมองไม่เหมือนใจของพระุทาเจ้าที่มีแต่ความสดใสเบิกบานมีปรมังสุขขัง ใจของพวกเรายังเป็นปรมาทุกขังกันอยู่ต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองถ้าอยากใช้เป็นปรมาังสุขขังก็มาชำระความอยากกันด้วยการใช้สติหยุดทำใจให้สงบหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนพอหยุดชั่วคราวได้แล้วทีนี้ก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้อยากไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็ใช้สติหยุดมันหยุดมันอยากไปทามัน ใช้เหตุผลว่าทำมันแล้วเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทำมันแล้วจะต้องทำอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบแล้วเวลาอยากเราไม่ได้ทำก็จะทุกข์จะทรมานเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยานี้มันจะทุกข์มากเวลาเราอยากอะไรแล้วเราไม่ได้ทำหรือไม่ได้สิ่งที่เราอยากมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเราใช้สติหยุดมันได้ใช้สมาธิหยุดมันได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับมัน น, นี่ลหละคือเรื่องที่แตกต่างจากศาสนาอื่นก็เรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีศาสนาไหนสอนนอกจากศาสนาพุทธนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาเดียวที่สามารถพาให้จิตออกจากสัตว์โลกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาอื่นนี้ยังต้องให้สัตว์โลกติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ต่อให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดมันก็ยังต้องตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อให้ไปติดนรกไปตกนรกคุ้มไหนเดี๋ยวมันก็ออกมาจากนรกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําตามความอยากใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่นี่คือความแตกต่างของศาสนาพุทธที่ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้เหมือน ใครที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจงถือว่าโชคดีได้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่จีรังถาวรที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปะเลกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปปติยจิตตังปัติตังตุมห um ังคิดเป้าเมวะสมมิตาตุสัพเเปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะอะราโสยธามณิโชติอะราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุ สัพพโรโคเวนัสตุมาเตภะวะโนวันตราโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลทธสุนิจจังวุธาปัจจายิโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัม วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 400 YouTube 167วิทยุออนไลน์32ผู้รับฟังบนเขา51รวม650ค่ะอืมบวกเลขบวกโลกบวกเลขถูกเขเปล่านะ <laughs> ถามดูงั้นน่ะเกิทุกวันก็ประมาณประมาณเท่านี้ เสาร์อาทิตย์ก็ทางบ้านก็จะน้อยลงหน่อยเพอะมาวัดกันเสาร์อาทิตย์คนมาก็เยอะขึ้น <c oughs> ประมาณร้อยขึ้นไปวันธรรมดาก็ต่ากว่าร้อยประมาณห้าสิบโดยเฉลี่แต่ทางบ้านก็จะเยอะวันธรรมดาทางเ b o o k YouTube <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถาม ฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้เดี๋ยวจะให้พิธีกร อ, อ่านให้ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมามีไมโครโฟนให้พูดตอนนี้เอาทางเอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันค่ะจาก ผู้รับฟังบนเขาเขียนถามมานะคะแนวทางการกระตุน้นสร้างวินัยสำหรับค า, ารวาที่เริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิรู้ว่าการปฏิบัติ ด, ดีแต่ไม่ขยันทําจะหักดิบสู้กับกิเลสอย่างไรครับออก็ต้องมีตารางแล้วต้องมีตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียนโรงเรียนเขามีตารางให้ไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แปโมงถึงสามโมงสี่โมงเนี่ยต้องไปโรงเรียนแล้วพออยู่โรงเรียนเขาก็มีตารางเวลา8ดโมงถึงเก้าโมงเรียนวิชานี้เก้าโมงถึงสิบโมงเรียนวิชานั้นพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็เรียนต่อเราก็ต้องมีตารางกำหนดเวลาให้แก่การศึกษาต่อการปฏิบัติธรรม เช่นวันหนึ่งมียี่ิบสี่ชั่วโมงเราเอเวลาไปทำอะไรบ้างลองมานั่งจัดตารางเวลาดูอะไรจำเป็นก็ทาไปหาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารก็มีตารางเวลาไปทำงานก็มีตารางเวลาพอออกจากงานก็มีเวลาที่เราสามารถที่จะเลือกทำได้ บางคนก็เข้าบาร์เข้าผับออกจากงานแล้วเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าเครียดก็ก็ไปผ่อนคลายในบาร์ในผับก่อนบางคนก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ในวัดเดี๋ยวนี้วัดในเมืองบางแห่งเขามีเปิดให้คนเข้าไปนั่งสมาธิได้ช่วงพักกลางวันก็ได้ช่วงก่อนไปทำงานก็ได้แล้วแต่เราจะกาหนดหาเวลา หรือทำที่บ้านเราก็ได้สถานที่ก็แล้วแต่ที่เหมาะสมที่สะดวกกับเราเราต้องมีกําหนดตารางเวลาขึ้นมาแล้วก็ต้องมีวินัยคือเมื่อกําหนดตารางแล้วก็ต้องทําตามตารางที่เรากําหนดไว้เราก็จะสามารถที่จะเริ่มปฏิบัติได้เริ่มศึกษาได้ เบื้องต้นก็ต้องศึกษาให้มากก่อนศึกษาอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตามตอนขั้นตอนก็มีสามขั้นศีล ส, สมาธิปัญญาจะปฏิบัติสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อน ถ้าไม่มีศีลมันใจมันจะวุ่นวายกับเรื่องของการทําบาปจะทําให้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เห็นต้องไม่ไปทําบาปไม่ต้องไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครเมื่อไม่มีเรื่องมีราวใจก็จะไม่วุ่นวายก็เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายกว่าแต่จะสงบได้ก็ต้องมีสติคอย ควบคุมบังคับความคิดไม่ให้มันคิดเพราะถึงแม้จะไม่มีเรื่องกับคนนั้นคนนี้มันก็ยังมีเรื่องอย่างอื่นให้มาคอยคิดอยู่เรื่อยๆอยู่ก็ต้องฝึกสติให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยสตินี่เราสามารถจเจริญได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอใจจะเริ่มคิดเรื่อยเปื่อยก็หยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันะ ให้มันเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเราก็จะมีสติคอยยับยั้งความคิดได้พอเรามีสติพอเรามีเวลาว่างจากการทำหน้าที่การงานเราก็เอามาเวลานั้นมานั่งสมาธิ เราต้องแลกเปลี่ยนกันเวลาเรามีแค่ยี่บสี่ชั่วโมงเรามีกิจกรรมเยอะมากเราก็ต้องลดกิจกรรมเหล่านั้นไปใครดูหนังฟังเพลงก็ต้องหยุดมันคอครทำอะไรที่มันไม่จำเป็นที่มันไม่มีประโยชน์เท่ากับการนั่งสมาธิเราก็ต้องเอามานั่งสมาธิก็้มาได้ถ้าอยากจะถวายของก็เชิญ เราต้องมีตารางแล้วก็ต้องมีวินัยกับการรักษาตารางเหล่านั้นไว้อแล้วมันก็จะมีการศึกษามีการปฏิบัติได้ทุกคนต้องทําแบบนี้ทั้งนั้นนะถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็มันก็จะไปมันเคยทําอะไรมันก็จะติดนิสัยเคยดูละครพอถึงเวลาก็เปิดรอดูแลเคยดูข่าวเดี๋ยวถึงเวลาก็เปิดดูข่าว เคยดูกีฬาเนี่ยพอมีกีฬาให้ดูก็ดูเนี่ยเวลากับสิ่งเหล่านี้เราต้องตัดมันไปเพราะถ้าเราต้องการที่จะมาปฏิบัติเราก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติจะทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ดีเพราะมันขัดกันเช่นชั่วโมงนี้ดูละครชั่วโมงต่อไปไปนั่งสมาธิพอดูละครมันก็คิดปรุงแต่ง กับละครพอมานั่งมันก็จะไม่หยุดคิดมันยังคิดถึงละครที่เพิ่งไปดูมาอยู่ยคนที่อยากจะหาความสงบจึงต้องหยุดกิจกรรมที่ทําให้ใจต้องคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆเช่นการดูมห์ลสบบันเทิงต่างๆตัดมันไปเอาเวลาที่ไปดูมห์ลสบบันเทิงมาศึกษาธรรมามานั่งสมาธิจะดีกว่า คำถามต่อไปจากเฟ e บ o o k พระยานรัตโนกราบนมัส ก, การพระอาจารย์สุชาติครับอยากเรียนถามว่าการที่เรามาบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำกับเขาไว้นั้นจะช่วยให้กฎแห่งกรรมของเราเบาบางลงบ้างหรือไม่และเราได้อุทิศให้เขาทุกเชา้าเวลาตอนฉันเชา้า หลังจากให้ศีลให้พรเสร็จเขาจะได้รับไหมครับขอบพระคุณครับคือการที่เราจะไปลบล้างกรรมเก่าบาปที่เราทำไว้นี่ลบล้างไม่ได้เวรกรรมที่เราทาไวน้นี่มันอยู่ที่ผู้ที่เราถูกกระทาจากเราเขาจะมาเอาเรื่องเอาเราวหรือไม่นี่อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราหนะ การอุทิศบุญด้วยการบวชนี้ก็ยังอุทิศไม่ได้เพราะบวชมันยังไม่ได้บุญอะไรมากนะการบวชนี้ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยทุกอย่างยังแบบน้มลุกคุคานอยู่เหมือนเด็กเด็กนี้ที่ยังคานอยู่นี้ยังไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้หรือแม้ว่าจะมาบวชก็ยังเป็นเหมือนเด็กที่ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางยังไม่ได้ทำอะไรให้เกิดผล มือนเด็กที่เริ่มเรียนหนังสือที่อยู่ชั้นอนุบาล น, นี่ยังไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปทําอะไรได้ยังไม่จบปริญญาพูดง่ายๆต้องให้มันจบปริญญาก่อนถึงจะสามารถมีประโยชน์ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ทางศาสนาก็เหมือนกันต้องบวชบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลก่อนถึงจะสามารถไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ต้องทำประโยชน์กับคนเป็นเนื้อคนที่ตายไปแล้วถ้าติดต่อกันไม่ได้ก็ทำประโยชน์ให้กับเขาไม่ได้ต้องทำประโยชน์กับคนที่ติดต่อได้หรือดวงวิญญาณที่ติดต่อได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ส่งไปโปรดพุทธมารดาที่ไปตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ไปแสดงธรรมสอนพุทธมารดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา อันนี้คือประโยชน์ที่เกิดจากการบวชบุญที่เกิดจากการบวชคือดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่บุญที่จะไปทำให้คนอื่นที่เราไปมีเวรมีกรรมมาเลิกจองเวรจองกรรมอันนี้ทำไม่ได้แม้แต่เป็นพระอหาหันต์ก็ทำไม่ได้พระมโหคลานะท่านก็ไม่สามารถที่จะไประ ง, งับเวรกรรมของท่านได้ถึงแม้เป็นพระอหาหันต์ท่านก็ยังต้องถูกเขาฆ่าตาย เพราะนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำอะไรได้ถ้าทำบาปแล้วไปลบล้างมันไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครแล้วไปรับลบล้างให้ไม่ได้นอกจากเร า, เ, าเราไปทำประโยชน์ให้กับเขาจนเขาพึงพอใจเขาก็อาจจะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราก็ไดเ้เช่นถ้าเราไปไปไปทำให้ผู้อื่นเสียหาย เขาเสียหายเงินเป็นสิบล้านอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆเราจะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขอมาแล้วให้เขายกโทษให้เรานี่คงจะยากแต่ถ้าเราเอาเงินสักยี่สิบล้านไปใ่้ยเขานี่เขาก็อาจจะยกโทษให้กับเราก็ได้เพราะว่าเขาได้รับใช้อความเสียหายอย่างพอเพียงเอดังนั้น แต่ทำอะไรบางอย่างนี้มันมันชดใช้ไม่ได้ไปฆ่าเขาเรานี้ไปเอาชีวิตมาให้ใหม่เขาไม่ได้มันก็ต้องใช้ชีวิตต่อชีวิตตาต่อตานันแหละเขาก็จะต้องมาตามจองล้างจองผานเอาชีวิตเราอย่างพระโมกกาลานะถึงแม้เป็นพระหลานถึงแม้มีความสามารถมีอิทธิฤทธิ์ก็ยังหนีความหนีการอาฆาตจะพยาบาทของคู่เวรคู่กรรมไม่ได้อยู่ดี ดัการบวชนี้ไม่ได้บวชไม่สามารถอุทิศบุญอะไรได้ไม่สามารถไปลบล้างกรรมเก่าได้ทำได้ก็เพียงแต่อสอนให้คนบรรลุถ้าเราบรรลุแนละ้วเราก็สอนให้คนอื่นเขาบรรลุได้เท่านั้นเองคาถามต่อไปจากคุณขวัญอรยาการดูแลคุณแม่ที่ป่วยและมีอารมณ์รุนแรงอยู่เรื่อยๆ เราควรวางใจอย่างไรคะก็มองว่าเหมือนเด็กทารกคุณแม่นี่กาลังกลับไปเป็นเหมือนเด็กทารกก็คิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กทารกคุณแม่เขาก็ต้องเขาก็ต้องอดทนกับเรานอนดึกดึกดึ่นเดินก็ร้องไห้ขึ้นมาปลุกให้พ่อแม่ต้องเตยขึ้นมามาดูว่ากำลังเป็นอะไรปวดท้องปวดฉี่หรือปวดอะไรด้วยหิวอะไรก็ต้องหาวิธีทำให้หยุดร้อง พอหยุดร้องก็กลับไปนอนได้ทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงร้องขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรากําลังทดแทนบุญคุณเรากำลังเล่นบทบาท ส, สลับกันเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเดี๋ยวนี้แนมะ่แล้วก็เราก็กลับไปเป็นเด็กเพราะก่อนเริ่มแก่เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยอารมณ์มันจะเสียง่ายก็ก็เลยจะทําตัวเหมือนเด็ก ก็อยากไปถือสาคิดว่าเรากําลังเลี้ยงเด็กทารกไปอยากจะได้อะไรก็หามาให้เขาให้เขาหยุดร้องก็แล้วกันเขาหิวอยากจะกินอะไรให้กินบัญหากําลังที่เราชอบไปเป็นหมอไปบังคับเขาสิเขาอยากจะกินก็ไม่เขากินเอเขาอยากจะกินอย่างนี้ก็จะให้กินอย่างที่เขาไม่ชอบกินถ้าอย่างนี้เขาก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลย อย่าไปขัดใจเขาเขาเดี๋ยวไม่กี่วันเขตายแล้วยิ่งไปกังวลอะไรกับเรื่องอาหงอาหารเรื่องอะไรปล่อยเขากินไปเถอะเดี๋ยวก็ตายให้เขาตายเร็วยิ่งดีใหญ่ตายอย่างมีความสุขดีดีกว่าอยู่ยังมีความทุกข์ใช่ไหมเพียงแต่ว่าขอให้มันอย่าผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเท่านั้นเองแต่ก็อย่าจะกินขนมห ว, วานหวานหมอห้ามเราช่างหัวมันเนอะ แต่ก็อยากจะกินงามกินให้เต็มที่เลยแม่ไม่ต้องกังวลหมอหรอกหมอมันห้าไม่ได้หรอกเรื่องอย่างนี้ ให้เขามีความสุขดีกว่าจริงจริงไม่ให้เขามีความทุกข์แล้วเขามาเกลียดเราโกรธเราแล้วก็กลับไปเกลียเดเขาโกรธเขาอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความทุกข์ด้วยกันไม่มีความสุขด้วยกันปล่อยให้แม่เขาถ้าก็อยากได้อะไรอยากทำอะไรพอเราถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ประเคนให้เขาไปเลยให้แม่มีความสุขขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกลับไปบังคับเขา นอกจากเขาบังคับตัวเองนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าหมอรู้หมอสั่งห้ามแล้วก็พยายามทําตามที่หมอสั่งก็ดีไปเอแต่ถ้าเขาห้ามใจก็ไม่ได้ก็เราก็อย่าไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับแม่เลยทํารับใช้แม่เราไม่มาเป็นเจ้านายแม่เมื่อมาเป็นหมอเข้าใจไหแมแล้วเราจะมีความสุขเห็นแม่มีความสุขเราก็มีความสุข ถึงแม่แม่จะตายแล้วก็รู้ว่าแม่ต้องตายอยู่นะแล้ว้็ตายตายเร็วสักหน่อยเป็นยังไงไปตายอย่างมีความสุขอยู่ยังมีความสุขดีกว่าอยู่มีความทุกแต่อยู่นานกว่าต้องทุกนานกว่ามองอย่างนี้บ้างสิใช่ไหมครต่อไปขอขอเรียนถามเพิ่มเติมคะ่ะแล้วกรณีว่าคุณหมอจ่ายยามาแล้วเป็นเป็นโทษตอ่อ ตับหรือไตเนี่ยเราเราควรจะงดยาเองหรือว่าเชื่อคุณหมอคะ่ะเราจะเก่งกว่าหมอแล้วไปหาหมอทําไมล่ <c oughs> ะก็เราไปถามหมอหมออื่นดูก่อนสิว่าเป็นจริงหรเปล่าทําไมนี่ก็ให้ไปขอให้ความเห็นที่สองที่สามเพื่อจะได้ยืนยันว่าเอถูกหรือไม่ถูกเอถ้ามันผิดก็อย่าไปกินเอออเันนี้ถ้ามันไม่ไม่ไม่ไม่ผิดก็กินได้ก็กินไป นี่เราไม่รู้ว่าสิเราไม่ได้เป็นหมอถ้าไม่เป็นหมอเราก็ต้องไปถามหมออื่นดูให้เขายืนยันว่าควรจะกินหรือไม่ควรจะกินเออขอบพคุณค่ะอคําถามต่อไปจะคุณชนทิชาการดูความไม่สวยไม่งามจะพิจารณาอย่างไรคะอดูตอนตายนี่ไปเยี่ยมป่าช้ามัง่งไปดูศพมัง่งเ อ, เอดูคนตายแล้วก็มานึกถึงแฟนเราว่าเนี่ยต่อไปเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ เวลาเขาตายแล้วอย่างนี้ก็มีพาเนี่ยทุกพรรษาวัดนี้ก็จะพาพาไปดูที่โรงพยาบาลไปดูศพไปดูชั น, นสูตรศพกันที่โรงพยาบาลตลํลารวจนุจราเขาจะมีมีเวลาที่เขาจะมีสอนนักศึกษาแพทย์ให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็มีการผ่าศพกัน ก็ไปดูอย่างนี้บ้างจะได้เห็นภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายสมัยก่อนเขาไปเยี่ยมป่าช้ากันเพราะสมัยก่อนเขาไม่เอาศพไปเผาหรือไปฝังะสมัยพุทธกาลนี่ก็เอาศพหอหอผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาให้หมาแมงกามาะกัดมากินให้มันผุพองขึ้นมาให้มันเปื่อยให้มันเน่าให้มันเหม็นนี่อันนี้ก็คือดูความไม่สวยงามของร่างกาย สมัยนี้ก็ไปดูลงพยาบาลหรือดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เนี่ยเขียนซากศพดูสิโพล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยอยากจะดูศพแบบไหนศพตายสามวันศพ ต, ตายห้าวันศพตายด้วยอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดขา ด, ออดูมัน่อยางนี้ก็คือร่างกายที่สวยงามเมื่อก่อนออพอมันเป็นซากศพแล้วมันก็ไม่สวยงามคำถามต่อไปจะคุณมาริวัน การเลิกคิดอาฆาตพยาบาททำอย่างไรดีคะก็คิดว่ามันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่เขาทำมาความเสียหายมันก็ผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้อยู่ดีมานั่งอาฆาตพยาบาทก็เหมือนเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราใครทุกข์อ่ะใครเจ็บล่ะการอาฆาตพยาบาทนี่ใครเจ็บคนที่ถูกอาฆาตแล้วคนที่อาฆาตคนที่ถูกอาฆาตนอนหลับสบายไม่รู้เรื่องไอ้คนที่อาฆาตนี่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ให้ดูโทษของความอาฆาตพยาบาทว่ามันกําลังทําลายเราทําร้ายเราไม่ได้ทําลายผู้ที่ถูกเราอาฆาตพยาบาทแล้วถ้าเกิดเราไปทําร้ายเขาเดี๋ยวเ้าก็ต้องกลับมาทําร้ายเราอีกมันก็จะยิ่งทําให้เรื่องมากขึ้นไปใหญ่อย่างที่เขาเคยพูดถึงน้ำน้ำพึ่งหยดเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นสงครามโลกขึ้นมาได้น ยังให้เห็นโทษของการของความอาฆาตพยาบาทว่าหนึ่งมันทำร้ายเราทําลายเร า, า, เราสองมันจะทําให้เดี๋ยวเกิดสงครามขึ้นมาได้เกิดการต่อสู้เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมาได้คําถามต่อไปจากคุณกอล์ฟคําว่าจิตเรามันคืออะไรครับก็เราเนี่ยเราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเราเรียกว่า จิตนี่คือตัวรู้ตัวคิดตัวที่มีความรู้สึกเวลาเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเราโอดเรารู้สึกทุกข์เนี่ยใช่ไหมก็เราเนี่ยแหละตัวตัวเราก็คือตัวที่คิดว่าเราเป็นเราเนี่ยแตความจริงมันเป็นตัวรู้สึกนึกคิดเนีพอมีทุกข์มันก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอมีสุขมันก็รู้สึกสุขขึ้นมามันมีทั้งตัวความรู้สึกและตัวรู้ความรู้สึกแล้วก็มีตัวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึก วาความรู้สึกนี้ไม่ดีเลยต้องหาวิธีกําจัดมันอันนี้ก็เป็นความคิดนี่ก็คือตัวจิตตัวใจเนี่ยที่ทำหน้าที่เหล่านี้อยู่ไม่ใช่ร่างกายคําถามต่อไปจะคุณชิวลินกราบเรียนถามว่าถ้ามีชายและหญิงเป็นแฟนคบหากันมาราวห้าปีโดยยังไม่แต่งงานอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงรู้ว่าแฟนตัวเองนอกใจตน ชายแอบไปมีอะไรกับผู้หญิงอีกคนอยากทราบว่าถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่เจ้าคะพอดีถามพี่ที่ทำงานที่อายุมากกว่าและเป็นผู้ใหญ่เขาตอบว่าไม่ผิดศีลจะผิดศีลก็ต่อเมื่อแต่งงานแล้วแต่ตัวเองเข้าใจว่าผิดศีลเลยสับสนเจ้าคะอ๋อมันผิดตั้งแต่ยังไม่แต่งงานถ้ามันอยากจะมีอะไรกันมันก็ต้องแต่งงานกันถ้ามีอะไรกันโดยไม่แต่งงา น, นก็ถือว่าผิดศีลแล้ว เขาถึงบอกให้มีผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ต้องประกาศให้คนรู้ทั่วไปจะได้ไม่มีใครมาแตะต้องัวใจไหมเนี่ยที่เขามีงานแต่งงานกันเพื่อจะได้ชาวบ้านด้วยกันว่าสองคนนี้ก็เป็นของกันและกันนะนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อันนี้แหละเปงนเรื่องของประเพณีของมนุษย์ <c oughs> ถ้าประเพณีของหมาก็ไม่ต้องมีการแต่งงานกัน เจอกันที่ไหนพอใจกันที่ไหนก็ชวนกันไปไปเจอกันที่ผับที่บาร์เห็นไเดี๋ยวก็ไปหาโรงแรมบ้านรูดกัน เ, เดี๋ยวเบื่อก็เปลี่ยนใหม่ เ, เดี๋ยวถ้าคนคน คนถูกทิ้งก็เสียใจก็อาฆาตพยาบาทเดี๋ยวก็เอายาพิษมาใส่ให้กินโทษของการแบบพืชผิดประเวณีมันก็มีภัยตามมาได้ต่อไปไปเที่ยวซ้ำซ้อนเดี๋ยวไม่รู้ใครมีโรคไม่มีโรคเดี๋ยวก็เอาเอจมาโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ามีผัวเดียวเมียเดียวก็รู้ว่าปลอดภัยรู้ว่าไม่มีโรคอะไรปลอดภัยอยู่ได้นานหน่อย แทนทนกับความเบื่อในเทนกับความจำเจอยากไปเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะโลกขึ้นมาพอไม่รู้ว่าคนที่เราไเปลี่ยนนั้นเขาสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยพอมันติดแล้วมันแก้ไม่ได้นะคําถามต่อไปจากคุณชวนกราบเรียนถามพระอาจารย์สุชาติเรื่องการติดหนี้และใช้หนี้ แต่เจ้าหนี้ตายไปแล้วไม่มีลูกหลานเราจะใช้หนี้อย่างไรทําบุญใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ที่ตายไปแล้วจนหมดถือว่าได้ใช้หนี้หรือไม่ไม่ได้หรอกเพราะเจ้าหนี้เขาไม่ได้รับเ อ, อก็ถือว่าชาตหน้าก็รอใช้เขาก็ออแล้วกันเวลาเจอเงินชาติหน้าค่าเขาใครมาขอยืมเงินเราก็คิดว่าเจ้าหนี้เก่าเข้ามา อ, อก็ให้เขาไปก็แล้วกัน จากคุณไพรวรนสศ ร, สร <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ <c oughs> ผมมีโอกาสฟังรมบรรยายจากสำนักหนึ่งใน YouTube มีคารวาสหญิงเป็นเจ้าสำนักตอนหนึ่งท่านได้เอ่ยว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งผิดไม่ควรทำสมาธิหรือแม้แต่เจริญสติหากไม่เข้าใจว่าสติแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรทำไปก็ไม่มีประโยชน์ ให้ศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนจากพระโอษฐ์เท่านั้นอยากถามว่าผมสามารถฟังด้านปริยัติจากท่านเจ้าสำนักคนนั้นแต่ยังทำสมาธิเจริญสติแบบเดิมของเราไปควบคู่กันได้หรือไม่หรือไม่ควรเข้าไปฟังไปศึกษาเพราะเราอาจจะหลงได้ครับก็คือก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราปฏิบัติอะไร เช่นสติการจะมีสติการจะเจริญสติเจริญได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาจากใครก็ได้ที่สอนเราได้แต่เมื่อเรารู้จากวิธีเจริญสติแล้วก็เจริญไปเช่นอานาปนาสติท่านก็สอนว่าให้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ะ แค่ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิแล้วถ้าเรารู้เราก็ทําไปใครจะมาห้ามมาพูดอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาจากพระไตรปิฎกเอามาจากพระไตรปิฎกไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรดูจะมีการสอนวิธีเจริญอาณาปณสติสอนโดยพระพุทธเจ้าโดยตรง ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปศึกษาก่อนเพราะนั่งแบบไม่มีสติเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้เือ<ม>นั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ไปปรุงแต่งว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนิพพานเป็นสวรรค์เป็นเท้ามาหาพรหมอะไรไปเ<ม>อนนี่ก็แล้วหลงแล้วก็เป็นบ้าเพราะนั่งแบบไม่มีสติถ้านั่งแบบมีสติแล้วจะไม่มีอะไรมาปรากฏให้มาหลอกเราจะมีแต่ความนิ่งความสงบความสุข อันนี้จำเป็นต้องศึกษาก่อนศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาผู้ที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเอามาถ่ายทอดอีกทีก็ได้พอเรารู้แล้วเราก็ลองไปทำดูต้องปฏิบัติด้วยถึงจะรู้ว่าที่เขาสอนมานี่ถูกหรือไม่ถูกคำถามต่อไปจะคุณนภพพัสกราบนมัสการท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ดิฉันฝึกนั่งสมาธิ นั่งเสร็จก็เดินจงกรมรวมเวลาเบ็ดเสร็จประมาณเกือบสองชั่วโมงแต่รู้สึกว่าไม่นิ่งเลยอย่างนี้ต้องสวดมนต์ก่อนดีไหมเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าเวลาสวดอิติปิโสร้อยแปดจบจะรู้สึกนิ่งได้มากกว่าหลังจากนั้นก็ค่อยนั่งสมาธิและเดินจงกรมตามเจ้าคะ่ะได้จะสวดตอนเดินจงกรมด้วยก็ได้เดินจงกรมไปก็สวดไป แต่ให้มันสวดไปในใจหรือสวดพึมพำไปก็ได้อย่าส่งเสียงดังบรบกวนชาวบ้านหรือแบาบงทีคนก็เห็นเราเดินสวดล้วก็จะอาจจะตำหนิว่าไม่ไม่สวยงามไม่เรียบร้อยเพราะการสวดก็มักจะนั่งสวดกันการสวดก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึง่งการเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่การเดินก็เป็นการจเจริญสติเหมือนกัน เพะนั้นวิธีไหนก็ได้ที่เราทำแล้วทำให้ใจเราสงบก็ใช้วิธีนั้นไปแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันวิธีเจริญสติก็มีหลากหลายวิธีเหมือนกับอาหารมีหลากหลายชนิดกินเข้าไปแล้วก็อิ่มเหมือนกันแต่ทำไมคนเราจึงเลือกกินไม่เหมือนกันเพราะความชอบความพอใจไม่เหมือนกันนั่นเองดังั้นการเจริญสติก็มีหลากหลายวิธี การสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งการบริกรรมพุโทโธก็เป็นวิธีหนึ่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นวิธีหนึ่งดังั้นมันมีหลากหลายวิธีก็ต้องลองใช้ดูแล้วบางวิธีก็เหมาะกับท่านั่งบา ง, บางวิธีก็ไม่เหมาะกับท่าท่านเดินก็อย่าไปใช้เหมือนดังนั้นอาณาปานาสตินี้จะเหมาะกับท่านั่งมากกว่าท่าเดิน คำถามต่อไปจะคุณอารีรัตกราบเรียนถามหลวงพ่อช่วยเมตตาตอบเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติเวลาลูกนั่งจิตสงบร่างกายหายมีแต่ตัวรู้อัศจรรย์มากค่ะก็ดีพยายามนั่งให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆให้นั่นเป็นนานๆจนชำนาญสามารถเข้าได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการนั่งห้านาทีก็สงบนิ่งตัวว่าง ปัสจจกร่างกายสักแต่ว่ารู้ไปทำให้ชำนาญก่อนเมื่อชำนาญแล้วค่อยมาศึกษาวิธีเจริญปัญญาวิธีพิจารณาไตรลักษณ์ต่อไปคำถามต่อไปจะคุณกัทฑพลกราบขอโอกาสครับในการปฏิบัติธรรมสัมมาทิชชีคือความเห็นชอบเป็นข้อธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมในขั้นต่อต่ อ, ตอไปใช่หรือไม่ครับเพราะปัจจุบันชาวพุทธเรายังมีความเห็นแตกต่างกันเช่นตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีจริงเป็นต้นใช่เราลงมีสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจ ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องจิตใจว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรแล้วเราต้องทำอะไรกับจิตใจของเราถึงจะทำให้จิตใจเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะเ ก, กิดสัมมาทิฏฐิได้ก็จากการศึกษาจากผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือพระพุทพธธรรมพระสงฆ์นี่เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ส่งผู้สอนเราเพื่อให้เราได้สัมมาทิฏฐิ พอเราได้สมาทิฏิแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปคําถามต่อไปจะคุณลักเคคนที่รับขันจากตำหนักวงเล็บขันผีแล้วจะทํำยังไงตอนนี้มีอาการต่างๆเช่นไม่สวดมนนั่งสมาธิไม่ไปทําบุญพูดคนเดียวอารมณ์เบี่ยงจะทําอย่างไรที่จะเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากจิตได้คะ ก็ไม่รู้ล่ะเขาทําตัวเขาอย่างนั้นเองเนี่ก็แล้วแต่เขาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบางทีเขาพอใจกับสภาพที่เขาเป็นอยู่เราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะเปลี่ยนเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราใหม่ตอนนี้เราไม่มีสติสตัง ทำตัวเราไปตามอารมณ์ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ต้องมาฝึกสติมาระ ง, งับความคิดปรุงแต่งที่หลอกให้เราทําอะไรตามอารมณ์ของเราแล้วมาใช้เหตุผลว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างไรอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเขาก่อนอยู่เฉยๆเราอยากจะไปเปลี่ยนเขาไปช่วยเขานี่มันช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะให้เราช่วยไม่ยินดีที่เราจะให้ช่วย เหมือนกับหมอเขาไม่ไปจับคนไข้มารักษาใช่ไหมหมอเขารอให้คนไข้มาหาก่อนเมื่อคนไข้พร้อมที่จะให้รักษาหมอถึงจะรักษาถ้าคนไข้ไม่ยอมรักษาหมอจะไปดึงเขามารักษามันไม่ถูกมันไม่ถู ก, ถกหลักขั้นแรกนี้คนที่เป็นคนที่เสียหายต้องต้องรู้ว่าตอนเองเสียหายและต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะถ้าเขาไม่ต้องการเราไปสอนเขาเขาก็ไม่ฟัง แต่ถ้าเขาต้องการการช่วยเหลือแล้วก็มีความเชื่อว่าเราช่วยเหลือเขาได้เขามาหาเราเราก็สอนเขาได้แต่ถ้าสอนแล้วเขาไม่ฟังท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอยากช่วยใครมากจนเกินเหตุเกินผลให้มันมีเหตุมีผลก่อนแล้วค่อยช่วยช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยไปตามตามเรื่องของมัน คำถามต่อไปจากคุณสุภฤทธ์กราบเรียนถามเรื่องจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้อจิตเดิมแท้ก็หมายถึงจิตที่สงบเนี่ยเดิมแท้จิตเวลาจิตสงบแล้วมันก็กลับไปสู่เดิมแท้คือว่างไม่มีอะไรแต่มีกิเลสแต่มันไม่แสดงตัวจิตเดิมแท้กับจิตบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันจิตเดิมแท้ของทุกคนนี่ เวลานั่งสมาธิจิตรวมสงบก็กลับไปสู่ความเป็นจิตเดิมแท้ชั่วคราวพอออกจากจิตเดิมแท้มาก็มาเป็นนายกรนายขอมาเป็นหญิงเป็นชายตามสมมุติที่ตัวเองได้มาสัมผัสรับรู้ ไม่ใช่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่เป็นจิตของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันตานั้นที่เกิดจากการชำระจิตด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและสมวิปัสสนาภาวนาถึงจะได้จิตที่บริสุทธิ์คำถามหมดพอดี เ, อเวลาหมดพอดีมีอีกไหมมีอีกเอาคำถามเดียวเอาคาถามสุดท้ายหาเลือกเอาอันไหนที่คนจะถามก่อนตัว ของคุณเชอรี่บล้อซัมค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์หนูลองขอทางบ้านไปอยู่วัดเป็นแม่ออกนุ่งขาวดำถือศีลแปดไปตลอดมีความตั้งใจจะไม่กลับมาทางโลกอีกเพราะเรียนจบแล้วแต่ท่านไม่เห็นด้วยเพราะเป็นผู้หญิงกลัวมีอันตรายวัยก็ยังไม่สมควรแล้วก็จะมีผู้คอรหาว่าไม่มีปัญญาทำมาหากิน พ่อแม่ก็ไม่ยอมอยู่ปรนิบัติรับใช้แบ่งเบาภาระทางการเงินหนูยังอยากไปเพราะได้ศึกษาและลองไปอยู่วัดต่างๆได้ทำมาแล้วมาคิดดูว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เป็นคนแล้วถ้าไม่รีบตอนนี้รอแก่อาจจะไม่อยู่ถึงแก่รอพร้อมอาจจะป่วยจะตายไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังหนูยอมแลกได้ยอมโดนถูกดูถูกได้ โดนว่าได้แลกกับมีศีลแปดคุ้มครองตัวเองแค่นี้หนูก็พอใจแล้วพอเรามีศีลการภาวนาก็ก้าวหน้าไปอีกเพราะน้ำไม่รั่วออกจากเรือก็ยิ่งมีผลดีมีความหวังว่าสามารถออกจากคุกนี้ไปได้เพียงพระโสดาบันก็เกินคุ้มแล้วแต่ในเมื่อทางบ้านไม่สนับสนุนหนูฝืนไปก็จะเป็นคนเนรคุณให้พ่อแม่ไม่สบายใจก็คงเป็นบาปฝืนไปอยู่ ไปภาวนาคงไม่ก้าวหน้าแบบนี้หนูเข้าใจถูกต้องแล้วไหมคะเพราะพ่อแม่ต้องมาอันดับหนึ่งถ้าทําให้ท่านทุกข์แล้วเราก็อย่าหวังจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีแต่อีกใจหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปทําความชั่วเราไปทําความดีให้ดีถึงที่สุดรู้สึกสับสนมากคะ่ะก็ไม่ผิดเราไม่เนรคุณเราถ้าเนรคุณพระพุทธเจ้าก็ต้องเนรคุณคนแรกนะเพราะพ่อแม่พ่อก็ไม่อยากให้ไป เพรฉะนั้นการไปทําความดีนี่ไม่ได้เป็นการไปทําให้พ่อแม่ไปในรคุณพ่อแม่ที่พ่อแม่ไม่เสียใจที่พ่อแม่เสียใจก็เพราะพ่อแม่ไม่อยากให้เราไปเท่านั้นเองเห็นมันไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าพ่อแม่เขาอยู่ของเขาได้โดยที่ไม่ต้องให้เราดูแลก็ไม่ไม่ได้เป็นการทอดทิ้ง ไม่เวลาต่อไปเวลาเขาดูแลตัวเขาเองไม่ได้ไม่มีใครดูแลแล้วค่อยกลับมาดูแลก็ได้แต่ตอนนี้เรามีโอกาสไปได้ก็ไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปไม่มีใครให้ไปเลยต้องหนีไปนะถ้าเราหนีไปตอนคืนด้วยดึกดื่นสองยามไปแล้วคนนอนหลับวัดแล้วเพราะถ้าเกิดใครรู้ใครเห็นเดี๋ยวก็ไปแจ้งความแล้วก็ส่งตำรวจส่งทหารมาสกัดไปไม่ได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วเราจะเห็นว่าการไปนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าในภายหลังเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็มาช่วยพ่อแม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นได้ต่อไปเราเป็นโสดาบันเป็นพระระยะบุคคลเราก็มาช่วยให้พ่อแม่พ้นอบายได้ยั้นช่วยให้พ้นอบายดีกว่าช่วยให้ท่านไม่ตายเพรอช่วยยังไงท่านก็ต้องตายอยู่ดี เห็นไม่ต้องไปกังวลมากจนเกินไปเราก็ต้องเร า, เราต้องไปทําหน้าที่ของเราก่อนตอนนี้ส่วนตอนนี้พ่อแม่ดูเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ก็ปล่อยเขาเลี้ยงดูไปถ้าเขาเลี้ยงดูไม่ได้จริงๆเราก็ต้องกลับมาเลี้ยงดูเขาถ้าไม่มีเขาเหนื่อเลี้ยงดูเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ